เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาละวดีก็สมัยนั้นในกรุงราชครึกมีเด็กสาวชื่อสาละวดีมีรูปงามน่าดูน่าชมมีผิวพรรณผุดผ่องอย่างยิ่งคณะกุดุมพีชาวกรุงราชครึกจึงคัดเลือกเธอให้เป็นหญิงงามเมืองเมื่อเธอได้รับเลือกไม่นานนัก ก็เป็นผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมอภิรมด้วยต้องจ่ายค่าตัวถึงคืนละหนึ่งร้อยกะหาปณะนะต่อมาเธอมีคันจึงคิดว่าธรรมดาสตรีมีคันไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษถ้าใครทราบว่าเรามีคัน ลาภผลของเราจะเสื่อมหมดอย่ากระนั้นเลยเราควรแจ้งว่าเราป่วยแล้วได้สั่งคนเฝ้าประตูไว้ว่านายประตูท่านอย่าอนุญาตให้ชายใดเข้ามาถ้ามีคนถามหาดิฉันก็จงตอบให้เขาทราบว่าดิฉันเป็นไข้คนเฝ้าประตูนั้น รับคำของหญิงงามเมืองชื่อสาละวดีว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นต่อมาเมื่อนางมีขันครบกำหนดคลอดจึงได้คลอดบุตรชายได้กำชับหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้เธอจงวางทารกคนนี้ในกระดังเก่าๆแล้วนำออกไปทิ้งที่กองขยะ หญิงรับใช้รับคำแล้ววางทารกลงในกระดังเก่าๆนำออกไปทิ้งที่กองขยะบ328ก็เวลานั้นเป็นเวลาเช้าเจ้าชายอภัยกำลังเสด็จเข้าสู่พระราชวังได้ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้นถูกฝูงกาแวดล้อมจึงตรัสถามคนทั้งหลายว่า พนายฝูงการุมล้อมอะไรคนเหล่านั้นกราบทูลว่าทารกพระเจ้าค่าเจ้าชายอภัยตรัสถามว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือคนเหล่านั้นกราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าข่าเจ้าชายอภัยตรัสถามว่าถ้าเช่นนั้นจงนำทารกไปในพระราชวังของเรา มอบให้แม่นมดูแลคนเหล่านั้นรับสนองพระบัญชาแล้วนำทารกนั้นไปวังเจ้าชายมอบให้แม่นมว่าโปรดเลี้ยงไว้ด้วยแล้วตั้งชื่อทารกนั้นว่าชีวกเพราะบ่งถึงคําว่ายังมีชีวิตอยู่ตั้งชื่อว่าโกมารพัชเพราะเป็นผู้ที่เจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้ ไม่นานนักชีวกโกมารพัฒเจริญวัยรู้เดียงสาเขาเข้าเฝ้าเจ้ า, จาชายอภัยกราบทูลถามว่าใครคือบิดามารดาของกล้าวกระหม่อมพระเจ้าค่าเจ้าชายอภัยรับสั่งว่าพ่อชีวกแม้ตัวเราก็ไม่รู้จักมารดาของเจ้าแต่เราคือบิดาของเจ้าเพราะเราให้เลี้ยงเจ้าไว้ ชีวโกมาราพัฒคิดว่าคนที่ไม่มีศิลปะจะเข้าพึ่งราชสกุล น, นี้ได้ยากอย่ากระนั้นเลยเราควรเรียนศิลปะวิทยาไว้